ที่เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22สสองมกราคมพุทธศักราชสองพนห้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ เพื่อมาสร้างความสุขให้แก่ใจตลอดระยะเวลา67เจวันที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลากับการสร้างความสุขให้กับร่างกายแต่วันนี้เราจะมาสร้างความสุขให้กับใจ ร่างกายมีความจาเป็นต่อปัจจัยสี่ชั้นใดใจก็มีความจาเป็นต่อบุญกุศลซึ่งเป็นปัจจัยสี่ของใจเช่นเดียวกันความสุขของกายกับความสุขของใจมีเป็นคนละส่วนกันสุขกายแล้วไม่ได้หมายความว่าจะสุขใจ สุขใจก็ไม่ได้หมายความว่าจะสุขกายเพราะกายกับใจนี้เป็นเหมือนคนสองคนมีความแตกต่างกันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้กายกับใจนี้สุขและทุกข์ต่างกันกายและใจนี้แหลเป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเรา ที่เราควรที่จะดูแลรักษาเท่าๆกันกายเราก็ต้องดูแลรักษาให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายใจเราก็ต้องดูแลรักษาให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะดูแลกายของเราเสียส่วนใหญ่ลืมดูแลใจของเรา เราจะมีร่างกายที่มีความสุขสบายมีปัจจัยสี่เหลือเฟือแต่เรากับไม่ค่อยมีความสบายใจกันก็เพราะว่าใจของเราขาดการดูแลด้วยบุญด้วยกุศลด้วยปัจจัยสี่ของใจนี้เองดังนั้นเราจึงต้องหันมาดูแลใจของเรา ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราปฏิบัติขอให้เราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายสั่งสอนพวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะพร้อมที่จะปฏิบัติตาม เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วไม่นานเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติคือใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นไปจะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำกันเพราะเรามัวแต่ไปหาความสุข ทางกายทางลาบลดสรรเสริญทางตาหูจมูกริ้นกายจนลืมหรือไม่มีเวลาที่จะมาดูแลใจของเราอย่างน้อยพวกเราก็ยังดีกับคนอีกมากมายที่ไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยสนใจกับการดูแลรักษาใจของเขาเลย พวกเรานี้ยังเข้ากับวัดกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหน่มครั้งก็จะพอที่จะทำให้มีความสุขทางใจบ้างลดความทุกข์ความวุ่นวายใจให้น้อยลงไปได้บ้างแต่ยังไม่สามารถทำใจของเราให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ได้ เลยถ้าเราไม่ทุ่มเทเวลาให้มากขึ้นไปกว่านี้ถ้าเราอยากจะมีความสุขทางใจมากขึ้นมีความทุกข์ทางใจน้อยลงเราก็ต้องใช้เวลาต่อการสร้างบุญสร้างกุศลให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้อยู่กับการ ดูแลรักษาใจสร้างความสุขให้แก่ใจดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปโดยเอาพระพุทธเจ้าพระและพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างเพราะนี่คืองานของเราตราบใดที่เรายังไม่สามารถสร้างความสุขภายในใจของเราให้เต็มที่ และดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปได้เราก็ยังต้องมีงานที่ต้องทำอยู่เพราะว่างานนี้ถ้าใจของเรานี้ยังไม่สุกเต็มที่ยังไม่หมดทุกข์ใจของเราก็ยังจะไม่หยุดไม่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องไปเกิดตามภพต่างๆแล้วก็ต้องไปรับ ผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในแต่ละภพนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะสามารถทำงานทางใจของเรานี้ให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยไปได้ผู้ใดที่ทำงานทางใจได้เสร็จเสิ้นเรียบร้อยแล้วผู้นั้นก็จะหมดงานจะไม่มีงานอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไป เพราะทำอะไรก็จะไม่ได้ทาให้ใจมีความสุขมากไปกว่าที่ได้เป็นอยู่ที่ได้ทำมาแล้วและจะไม่มีงานอะไรที่จะต้องมามาดับความทุกข์อีกเพราะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจพวกเราจึงควรที่จะพยายามทางานทางด้านจิตใจ ให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพยายามลดละพยายามตัดงานทางร่งางกายทางราบยศรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงไปเพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่ไม่มีวันจบสิน้นและเป็นวันที่เป็นงานที่จะไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเรา บททุกได้ไม่สามารถทําให้ใจของเรามีความสุขไปตลอดเวลาได้เราควรจะทําเท่าที่จําเป็นคือทําเพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขตามอัตภาพของเขามีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าอภรรยาสวมใส่มียารักษาโรคไว้รักษ า, ายามเจ็บไข้ได้ป่วย มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆถ้าเรามีปัจจัยทั้งสีประการนี้แล้วเราก็ควรที่จะหยุดแสวงหาได้แล้วเพราะว่าต่อให้ได้มากไปกว่า น, นี้สักเพียงรอยก็จะไม่ได้ทําให้ร่างกายมีความสุขมากไปกว่า น, นี้ร่างกายเขารับได้เท่านี้เอง เขาได้คือสิ่งที่เขาขาดสิ่งที่เขาต้องการพอเข้าได้สิ่งที่เขาขาดสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะไม่เป็นปัญหาเขาก็จะอยู่อย่างปกติสุขต่อให้เรามีมากกว่านี้อีกสิบเท่าก็ไม่ได้จะมีทำให้มีความสุขมากขึ้นไปอีกสิบเท่าหรือต่อให้เรามีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มีมีคุณภาพดีขึ้นมีคุณค่ามีราคามากขึ้นเช่นมีบ้านราคาแพงแพงมีเสื้อผ้าราคาแพงแพงมีอาหารราคาแพงแพงมียารักษาโรคราคาแพงแพงมันก็ไม่ได้ต่างไปจากคนที่เขาไม่มีของแพงแพงไว้ใช้ไว้กินไว้อยู่เลย เพราะร่างกายนี้ไม่ได้ถือเรื่องราคาเป็นสำคัญร่างกายถือเรื่องเรื่องการขาดแคนและการได้สิ่งที่ขาดแคลนนี้มาบำรุงรักษาจะราคาถูกราคาแพงก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันเช่นอาหารที่เรารับประทานจะมีราคาหลายพันหลายหมื่นหรือเป็นแค่ไม่ตี่สิบบาท มันก็ทำหน้าที่ได้เท่าเท่ากันคือทำให้ร่างกายมีอาหารหล่อเลี้ยงทำให้อยู่อย่างไม่หิวโหยไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่บ้านที่เราอยู่หรื อ, อยารักษาโรคมันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยในหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นราคามากหรือราคาน้อย ถ้าเราอยากจะดูตัวอย่างจะเปรียบเทียบให้ดูอย่างปัจจัยสี่ของพระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก่พระผู้บวชใหม่งั้นท่านก็ทรงสอนว่าเรื่องอาหารก็ให้ออกไปบินทบาทให้ไปหาอาหารตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็รับประทานไปก็อยู่ได้ถ้าร่างกายได้อาหารแล้วก็ใช้ได้ จะเป็นอาหารชนิดใดแบบใดถูกปากหรือไม่ถูกใจหรือไม่ไม่สำคัญขอให้เป็นอาหารที่สะอาดไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายก็ใช้ได้แล้วส่วนที่อยู่อาศัยท่านก็สอนให้พระอยู่ตามโคนไม้ถ้าไม่มีบ้านอยู่ไม่มีกุฏิอยู่ก็ไปอยู่ตามโคนไม้ หรือตามถ่ำหรือตามเือนร้างที่ไม่มีใครใช้ให้อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกเพื่อความสุขทางด้านจิตใจไม่จำเป็นจะต้องมีกุติราคาแพงๆหรูหราอยู่ตามมีตามเกิดตามอัตภาพถ้ามีคนศรัทธาเขาจะปลุกให้สร้างสร้างให้อยู่ ก็อยู่ได้ไม่ขัดข้องก็ได้หรือถ้าไม่ไม่ขัดถ้าไม่อยากจะอยู่ก็ไม่เสียหายมีพระบางลูกนั้นท่านยึดหลักสมถะคือการอยู่แบบเรียบง่ายถึงแม้จะมีศรัทธาสร้างกุฏิใหญ่ๆโตๆให้อยู่ท่านก็ไม่อยู่ท่านก็อาจจะอยู่ให้เข้าคืนสองคืนแต่ตัวท่านกลับชอบอยู่ตาม ทำตามโขนมาเพราะเป็นความสุขทางใจอยู่แบบของดีดีแพงๆนี้กลับมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาและเวลาที่มันมีปัญหาก็ต้องปวดหัวกับการแก้ปัญหาแต่ถ้าอยู่แบบตามมีตามเกิดนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ จะทำให้อยู่อย่างสบายใจท่านจึงไม่ค่อยได้สนใจกับเรื่องความวิจิตพิสดารของกุฏิของที่อยู่อาศัยหรือของวัดวาอารามขอให้วัดเป็นสถานที่สบงบร่มเย็นก็พอแล้วส่วนอาคารต่างๆจะใหญ่จะเล็กจะหรูหราหรือไม่นี้ไม่สำคัญ ขอให้ใช้ทากิจที่ต้องทาได้ก็พอเพียงแล้วนี่คือเรื่องที่อยู่อาศัยของพระท่านสอนให้อยู่ตามคนไม้ลุกขมูลเเซนาสนังให้ยินดีอยู่ตามมีตามเกิดตามอัตภาพของตนอย่าไปแสวงหาของต่างๆที่พักอาศัยกุติชนิดนั้นกุติชนิดนี้อยู่ไปตามมีตามเกิด แล้วจะมีความสุขใจถ้าไปแสวงหานี้ก็จะเป็นความวุ่นวายใจเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความกังวลใจท่านจึงสอนให้พ้าอยู่ตามมีตามเกิดพระเราอยู่ในป่าสิ่งที่มีก็คือต้นไม้ท่านก็เลยสอนให้อยู่ตามโคนไม้ส่วนผ้าคือเครื่องนุ่งห่ม ท่านก็ให้ใช้ผ้าบังสกุลในสมัยพุทธกาลนั้นสมัยเริ่มแรกไม่มีการถวายผ้ากระถินไม่มีการถวายผ้าป่าไม่มีการถวายผ้าจีวรที่เย็บเสร็จเรียบร้อยอย่างในสมัยนี้ในสมัยก่อนพระต้องไปหาเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ต, ตามป่าช้าบ้างตามริมทางบ้างตามกองขยะบ้าง ให้ไปเก็บเศษผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาสะสมมาไว้พอได้จํานวนมากพอที่จะมาเย็บมาตัดให้เป็นผ้าหม่มคือผ้าที่วรได้ก็ก็ใช้ได้แล้วแล้วสีก็เอาเอาผ้านี้ย้อมกับกับแก่นไม้เอาแก่นไม้มาต้นแล้วก็เอาผ้านี้ซักในน้ํา ของแก่นน้ำแก่นไม้นี้ก็จะได้สีกลับที่เป็นสีที่พระป่าเขาใช้กันคือให้ท่านให้อยู่แบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่ตามมีตามเกิดแต่ในระยะหลังพอาศาสนามีความเจริญมีผู้มีจิตศรัทธาก็มีการถวายผ้ากันมากมายมีถวายทั้งแบบที่ยังไม่ได้ตัดเย็บ และมีแบบที่ตัดเย็บเรียบร้อยมีทั้งผ้าที่มีคุณภาพราคาแพงๆก็เลยทำให้พระสมัยนี้หรือผู้ที่มาบวชใหม่นี้ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังจากการสั่งสอนของครูบาอาจารย์ก็จะไม่เข้าใจถึงเรื่องของการห่มผ้าคลองผ้าของเรื่องของการใช้ผ้าของพระว่า เป็นอย่างไรก็จะหลงกับจีวรแบบสวยๆแบบมีราคาแพงๆกันซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผู้มาบวชควรที่จะให้ความสนใจหรือสแสวงหาแต่ถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาจะถวายให้ก็รับไว้ได้จะใช้หรือไม่นั้นก็แล้วแต่คุณธรรม ที่มีอยู่ภายในใจถ้ายิ่งมีคุณธรรมสูงกับไม่ค่อยอยากจะใช้ของเหล่านี้เท่าไหร่ยกตัวอย่างพระมหากัสปะท่านเป็นพระเทเรบวชดมาหลายสิบพรรษาเป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านยังใช้ผ้าบางสกุลอยู่เพราะพระพเจ้าถึงกับต้องพูดว่าทำไมไม่ใช้ผ้าที่เขาถวายมาบ้างเพื่อให้เขาได้ บุญได้กุศลท่านก็บอกว่าท่านได้รับไว้แล้วเขาก็ได้บุญได้กุศลแล้วแต่ที่ท่านไม่ใช้ผ้าดีๆนั้นก็เพราะท่านเคยใช้ภาพบาังสกุลมาตั้งแต่วันบุญแล้วท่านมีความสุขสบายใจกับการใช้ภ้าแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ท่านก็อยากจะทำเป็นตัวอย่าง ให้พระผู้น้อยที่มาบวชที่หลังได้มีตัวอย่างมีแบบฉบับเพราะถ้าท่านใช้ผ้าดีๆพระที่มาบวชใหม่ก็จะคิดอยากจะใช้เหมือนกับท่านแต่ลืมไปว่าตัวเขานั้นเขาเพิ่งมาบวชใหม่เขายังไม่มีคุณธรรมอะไรภายในใจมีแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงแต่เห็นพระผู้ใหญ่ ทำอะไรใช้อะไรมีอะไรก็จะมีใจอยากจะมีเหมือนกับพระผู้ใหญ่โดยไม่ได้คํานึงถึงว่าฐานะของตนนั้นเป็นอย่างไรมาบวชได้มากน้อยเพียงไรมีคุณธรรมมากร้อยเพียงไรได้ฟันฝ่าได้ปฏิบัติผ่านความทุกข์ยากลำบากมามากน้อยเพียงไรนั้นยังไม่ได้มีเลย ไม่เคยคิดว่าผู้ที่เขามีผู้มีจิตศรัทธาเคารพนับถือนั้นเขาได้รับความเคารพนับถือมาได้อย่างไรไม่ใช่เพราะว่าโกนโกนศีรษะและห่มผ้าเหลืองแล้วก็ถือว่าเป็นพระเหมือนกันแล้วอันนี้เป็นเพียงแต่รูปแบบของพระเท่านั้นเองแต่ตัวพระจริงๆนั้นอยู่ที่คุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจ ว่ามีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปหรือหมดไปหรืออย่างมีคุณธรรมมีมรรคผลนิพพานคลองอยู่ในหัวใจหรือไม่อันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่แยกใจหรือแยกพระว่ามีความแตกต่างกันพระที่มีคุณธรรมมีมรรคผลนิพพานนี้จึงจะถือว่าเป็นพระจริงเป็นพระแท้ ตั้งแตพ่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอาหารหันต์นี่เรียกว่าพระอริยบุคคลส่วนพระที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้ถือว่าเป็นพระอริยเป็นเพียงพระภิกษุเท่านั้นเองคำว่าพระนี้แปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐที่แท้จริงต้องประเสริฐด้วยมรรคผลนิพพานด้วยคุณธรรมที่พระพุทธเจ้า ได้บรรลุแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามดังนั้นโดยหลักแล้วผู้ที่บวชใหม่นี้ควรจะมีความ <c oughs> อ่อนน้อมถ่อมตนมีความมักน้อยสัดโดมีความเจียมตัวไม่ควรที่จะ พยายามทาตัวเองให้เหมือนกับพระเถระที่บวชมาเป็นเวลานานแล้วต้องถือว่าเป็นคนละฐานะกันถ้าทำตามนั้นทำได้แต่จะไม่ได้คุณธรรมแต่จะได้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นไปแทนที่จะมาบวชเพื่อมาตัดความโลภความโกรธความหลงก็กลับมา สะสมความโลภความโกรธความหลงให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปแทนที่จะเจริญพัฒนาด้วยการบวชก็กลับเสื่อมลงไปเสียอีกบวชแบบนี้ก็อย่าไปบวชให้เสียเวลาเพราะจะไม่ได้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจแต่อาจจะได้ประโยชน์ทางปัจจัยสีะอาจจะมีเสื้อ มีจีวรสวยๆงามๆราคาแพงๆไว้สวมใส่มีกุฏิหรูหราไว้อยู่มีเครื่องอำนวยความสุดทุกประการอยากจะมีน้ำร้อนอาบก็มีอาบอยากจะมีเครื่องปรับอากาศไว้ก็มีใช้อยากจะมีอะไรดูก็มีอย่างที่เราคงเห็นกันตามวัดต่างๆในสมัยนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้กันเชื่อส่วนใหญ่จะมีความสุข ทางด้านปัจจัยสีจะมีความสมบูรณ์รู้รากับปัจจัยสีแต่ทางจิตใจนี้กับมีความโลภโมโทสันมากยิ่งกว่าตอนมาบวชก่อนมาบวชีอีกนี่คือความแตกต่างเรื่องของการใช้ปัจจัยสีมันเป็นตัวชี้บอกให้รู้ว่าใจของผู้นั้นเป็นอย่างไร ใจของผู้ที่อยู่อย่างสมถะเรียบง่ายกับใจของผู้ที่อยู่อย่างหรูหรานี้ต่างกันคุณธรรมต่างกันเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ทรงสอนอยู่แล้วว่าให้ปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจะถือว่าเป็นพระที่ดีได้อย่างไรพระที่ดีก็ต้องตามที่ท่านทรงสั่งสอน ให้ใช้ผ้าบางสกุลให้อยู่ตามโคนไม้ให้บินสบาทเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้งท้องส่วนยาก็ให้รับประทานยาตามมีตามเกิดในสมัยพุทธกาลเขาก็ใช้ยาดองน้ำมูดยาดองปัสสวะเอาสมุนไพรหรือเอา ผลไม้บางเนบางชนิดที่ใช้ปัญยาได้มาดองแล้วก็ดื่ม น, น้ำที่ดองนั้นเขาก็อยู่กันได้เขาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากในสมัยพระพุทธกาลนี้พระอริยะเจา้านี้เดินชนกันอยู่ตลอดเวลาแต่ในสมัยปัจจุบันนี้กลับเป็นการตรงกันข้ามกลับมีความพังพร้อมด้วยปัจจัยสี่ แต่กับขัดมรรคผลนิพพานที่มีอยู่ภายในใจของของพระแต่ละรูปเพราะเหตุใดก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนปฏิบัติตามตัวอย่างที่ไม่ดีที่มีมาก่อนหน้าเห็นเขามีอะไรก็อยากจะมีเหมือนเขาเห็นเขามี ได้อะไรก็อยากจะได้เหมือนเขาโดยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาได้นั้นเขามีและได้มาอย่างไรก็พยายามที่จะสแสวงหาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบต่างๆขัดหลักทรรมวินัยที่อันดีงานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี่คือเรื่องของการหาปัจจัยสี่ ขอให้เราต้องระมัดระวังถ้าเราไม่ระวังแล้วเราจะแทนที่จะตัดกิเลสตัดความทุกข์ภายในใจของเราให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปเรากลับจะสะสมกิเลสให้มีเพิ่มมากขึ้นและจะทำให้เรามีความทุกข์ใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นค า, า, ารว่าหรือนั่งบวชก็เช่นเดียวกัน การแสวงหาปัจจัยสีน่นี้ขอให้เราถือหลักส ม, มะถะเรียบง่ายแล้วก็เอาเท่าที่จําเป็นมากน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดตามฐานะของเราอย่าไปตะเกียกตะกายตามเพื่อนบ้านเขาเห็นเขามีบ้านราคาแพงๆก็อยากจะมีเหมือนเขาเห็นเขามีรถยนต์ราคาแพงๆก็อยากจะมีเหมือนเขา เห็นเขามีเสื้อผ้าราคาแพงๆกินอาหารราคาแพงๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปต่างประเทศก็อยากจะเป็นเหมือนเขาโดยไม่ได้ดูที่ฐานะของเราดูที่ตัวของเราว่าเรามีกำลังเหมือนเขาหรือเปล่าถ้ามีก็ทำก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีแล้วเราพยายามจะทำเหมือนเขานี่เราจะเหนื่อยและเราอาจจะต้องไป ทำบาปทำกรรมเราจะไม่สามารถรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้เพราะความโลภความอยากได้เงินได้ทองนี้จะทำให้เราต้องโกหกต้องพูดปดจะทาให้เราต้องรักทรัพย์คือช่อโกงเพื่อที่เราจะได้ทรัพย์มาด้วยวิธีการต่างๆการากระทาแบบนี้เป็นการขาดทุน ถึงแม้จะได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองมาได้ตำแหน่งได้ยศมาแต่จิตใจเน้นแทนที่จะเจริญจิตใจกลับถดถอยและเสื่อมลงไปซึ่งไม่ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับเลยเพราะจิตใจของเรานี้ยังต้องไปต่ออีกละจะต้องไปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไป จนกว่าจะพัฒนาสิจใจของเราให้กลายเป็นพระอริยะขึ้นมาได้ถ้ายังไม่สามารถพัฒนาเป็นพระอริยะได้ก็ยังต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดแล้วก็ไปใช้กรรมใหม่ไปตามบุญตามกรรมที่ได้ทําไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าทําบาปมากๆก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายเป็นเวลาอันยาวนาน ไปเกิดเป็นเดลอาชานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนานๆก็จะได้ผุดขึ้นมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเหมือนกับทักโทษที่ถูกปล่อยออกมาจากคุกแต่พอปล่อยออกมาจากคุกได้ไม่กี่วันก็ไปทาผิดกฎหมายอีกแล้วไปฆ่าสัตว์ไปป้นไปขี้ไปลกักทรัพยแล้วก็ถูกเขาจับเข้าไปขังในคุกใหม่พวกที่ทาบาล ด้วยความโลภความอยากต่างๆนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนพวกนักโทษที่ต้องถูกจับขังไว้ในคุกพอถึงเวลาเขาปลดปล่อยออกมาอยู่นอกคุกได้ไม่กี่วันก็ถูกเขาจับเข้าไปอยู่ในคุกใหม่เพราะมันจะติดนิสัยพอเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ได้เห็นคนอื่นเขาราล่อมรวยเขามีสิ่งที่ดีแต่ตนเองไม่มีเหมือนเขาก็อยากจะมีเหมือนเขา ก็ต้องไปทําบาปทํากรรมเรามีคนทําอย่างนี้อยู่ทุกวันนี้ปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดเวลา mm. ก็เป็นเพราะว่าเขามีความโลภความโกรธความหลงมากอยู่ภายในใจเขาไม่มีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าคอยมาเตือนใจเขาคอยมาสอนเขาไม่ให้ไปทํา ในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่และเคยทำมาแล้วชีวิตของเขาจึงวนเวียนอยู่กับอบายนี้ไปไม่มีวันจบสิน้นแต่ส่วนพวกที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วพยายามปฏิบัติตามเช่น<ม>อยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่ฟุง้งเฟอ้อเหอเหอิมไม่ตะเกียกตะกาย เพื่อที่จะแสวงหาลาบลดสลัเสริญและความสุขทางสาหูจมูกลิ้นกายด้วยการประพฤติมิชอบด้วยการทำบาป ท, ทำกรรมจะตั้งอยู่ในสัมมาอาชีพจะรักษาศีลห้าไว้เป็นปกติแล้วนอกจากนั้นแล้วมีเวลาหรือมีทรัพย์ที่เหลือกินเหลือใช้ก็จะเอามาทำบุญให้ทานต่อ ไม่นำเอาทรัพย์นี้ไปใช้เพื่อแสวงเพื่อไปตอบสนองความต้องการของกิเลสตัณหาซึ่งจะทาให้ทต้องทำอยู่เรื่อยๆเพราะการตอบสนองกิเลสตัณหานี้ก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารกิเลสตัณหาให้มันมีอายุยืนยาวนานขึ้นไปนั่นเองทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราทำตามความอยากนี้ไม่ได้ทำให้ความอยากเราน้อยลงไปเริ่มหมดไป แต่กลับทาความอยากของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเดียวกับความโลภความโกรธถ้าเราทำตามความโลภทำตามความโกรธแทนที่เราจะตัดให้มันน้อยลงไปมันกลับทาให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงมากเพียงใดการทําบาป ก, ก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นความทุกข์ก็จะเพิ่มมากขึ้นไป การต้องไปอยู่ในอบายก็จะมีมากขึ้นไปนี่คือหลักกรรมเป็นอย่างนี้ถ้าทำบุญก็จะไปสู่สุกติถ้าทำบาปก็จะไปสู่อบายถ้าทำบุญมากๆตายไปก็ไปเป็นไปอยู่บนสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรหมแล้วพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่ และถ้าได้เจอพระพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญจิตภาวนาทำจิตใจให้สงบจเจริญวิปัสสนาพิจารณาอนันยิังทุกขังอนัตตาก็จะได้เลื่อนขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆและได้ไปสู่พระนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนันตกาลเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาลานตสาวกทั้งหลายท่านอยู่กันตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ท่านก็ยังอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะติดต่อกับท่านได้เท่า น, นั้นเองแต่ท่านไม่ได้หายไปไหนท่านไม่ได้ ท่านไม่ได้สูญหายไปคำว่านิพพานแปลว่าสูง น, นี้ไม่ได้หมายความว่าสูญหายแต่หมายความว่าสูญจากความวุ่นวายสูญจากความโลภความโกรธความหลงสูญจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ว่างแต่ที่เต็มไปด้วยความสุขปาลมังสุขครับนี่คือการ ดูแลรักษาใจของเราด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นให้เราอยู่อย่างสมถะเรียบงา่ายเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ส่วนเลือกความสุขนั้นอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญแต่ให้หันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นตามที่เราต้องการได้ และไม่ให้ไปยึดไปติดถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่คือวิธีดูแลรักษาใจของเราให้มีความสุขให้มีที่พึ่งให้มีสวัสและดูแลร่างกายของเราตามอัตภาพให้มีให้ร่างกายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทำแบบนี้ แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญเข้าหน้าไปอย่างเดียวจึงขอฝากเรื่องของการมาดูแลรักษาใจของเรา่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจิารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอ คุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแค็งแกรางปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ